อัดอัดอัดอม่นอัดีอัอัดนทายายอัดทายเราไปเล yes, que que ี้ยงกันไหมเออมึนคุณหญิงของคุณหญิงปากเพ็ดป้ากันสามมุ่นพอฟังส่วนมุ่นุิงสกมักกเม็ดเนื่อหอกร้านหนึ่งไ่ออกร้านไหนโห เนานเจ็ดพันดินะเจ็ดสิบจะพายุเก้าสิบกว่าคนคนสวดมนต์มือนสวดวันวันนี้สวดมนต์สวดถูรใหญ่ๆสวดทักษัโสตรด้วยอดิตตปริยาถูด้วยโลกธรรมด้วยโลกธรรมนี่น่าฟังมากมันสวดพูดทั้งเรื่องมันแปลไม่ได้เป็นเรื่อความบ้าง จิตของบุตรชนนั้นน่ะเมื่อเวลามีรมีลาภเกิดขึ้นก็ฟูแล้วก็ดีอกดีใจปื้มใจเวลาเสื่อมลงนั้นน่ะเมื่เหยียดแห้งหัวใจเศรา้าโศกตโวกับปริเทวทุกขโทกนี่บุตุชนเป็นอย่างนั้นพระเรียเจ้ามีลาภก็ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ตื่นเต้นธรรมดาจิต ร, รู้ว่าเป็นของยินดีอยู่แต่ไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้ ไม่ได้ลืมตัวตนะัางหเมื่อลาบเสี่ยมไปก็ไม่ได้โศกเศ้าเสยเสียจนี่ต่างกันอย่างนี้ท่นนึงพูดท่นนึงพูดไว้ในโลกธรรมแปดถ้าใครถ้านักปราชญ์ผู้ฉลาด ท, าท่านอธิบายน่าฟังมากในโลกธรรมแปดนี้นส่วนทระซกสูตรพระซักสูตรหมายถึงพวกเทศ พ, พวกเทพกับพวกพระอินกับอิสุร์ท า, ทาสงครามกันกันว่า ดที่ขณะที่ในบนสวรรค์นี่นก็ทําำสงครามกันถึงถึงครูเวลาอะไรพายินนั่นะเวลาไปลบออกจศูนเวลาเกิดความบาดกลัวขึ้นมาให้ให้มาตรีบุตรหนึ่งหรือบอกว่าให้เลือดเลือถึงสายธงของทาอินเหมือนกันพราะความความกลัวหรือความบาดเฉียวก็จะหายไปห มิฉะนั sure, sure, USTIN, the ้นให้ให้แลึกถึงประชาเทพบุตรประชาติเทพบุตรมิฉะนั้นให้ึกถึงเวรุนเทพประบุเมื่อนึกถึงอิชาเทพประบุทั้งล่างไปความปวดก็จะหมายไปพระพุทธเจ้าเรงว่าถ้าอินก็ดีเอ่ที่ทั้งหมดนั้น่ะเป็นคนยังไม่ละความโลภความโกรธความหลงแม้แล้วนึกถึงแล้วก็ไม่หายความปวดเพราะฉะนั้นให้เลยถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าผู้หงหมดอิเลสแล้วมันมีราคาโทสะโมหะ เมื่อลึกก so, ัแล้วความกลัวนั้นจะหายไปกันมันแปลเลยนั้นแปลเป็นเป็นธรรมออกมาแต่นี่จะพูดถึงเรื่องอดีตะปยาลาสูุตะกุศลนิ่งปีนีบินมาติดหนัจิตเมื่อเห็นแล้วรูปเออจระจุเห็นเห็นรูปแล้วก็ย่อมเบื่อหน่ายเออดพวกเราไม่เบื่อหน่ายเห็นรูปกติดรูปได้ยินเสียงก็ติดเสียงนี่อันนั้นจิตเป็นธรรมแล้วเป็นญาณเครื่งรูปขึ้นมาแล้วตะกุศลนิ่งปีนี้บินมาติด ย่อมเบื่อน่ายในลกูกอันนั้นจิตหลุดพ้นแล้วจิตมีธรรมแล้วอ น, นี้จิตมีญยณเครืง่งรู้แล้วอย่างนั้นเถอะทัานเบื่อแต่เรายังไม่เบื่อส่วนในผู้อื่นใส่วนเหมือแล้วพวกเทวดาก็รู้จักพวกมีหูติพย์ตาทิพเขาจะรู้ mm. ก็อนุโมทนารู้จักสุธะพรสูตรผิด ก, ก็รู้เหมือนกัน าการสวดมนต์พวกเราสวดไม่ได้ก็นั่งนัลึกถึงโทนในใจในใจอย่างนั้นเวลาท่านสวดเสร็จแล้วท่านนิ่งท่านอุทิศส่วนกุศลให้บรรด า, าสัตว์โลกทั้งเวรว่าวใยเกิดตลอดญาติพี่น้องพ่อแม่หรือไม่ใช่ญาติตลอดพวกเปรตพวกอมนุษย์ให้หมดพวกคนผานคนไรคนที่เป็นปฏิ ป, ปัติ์ให้หมดทั้งอุทิศส่วนทั้งบ น, บนบนเมืองล่าง เบื้องต่ำถึงไหนถึง เ, เวจีเบื้องบนถึงไหนถึงพมะโลกหายหมดกำหนดจิตส่งกระแสอำนาจบุญที่กุศลมีดับเป็นบำเพ็ญมาให้สว่างไปให้อำนาจจิตที่บริสุทธิ์หรือจิตที่เป็นไปด้วยความเมตตาส่งกระแสไปให้ในรับหมดทันทันในส่วนบนนล้วนิ่งอย่างั้นวเราไม่รู้จัก ถ้าไปอยู่พอกลับไปบ้านก็พะ อ, อย่างน้อยก็ไหว้พระอารหังถึงสุปฏิปโนสมัยพ่อแม่คุจันท์มั่นท่านไปอยู่ไหนเราไปที่บ้านสว่างปักกลางนี่ท่านสอนแค่อาหารสุติโตโฮมิโหมิเท่านั้นแหละอลารหังเราก็ถึงสุปฏิปโนย่อยอแล้วก็ท่านสอนแต่อาหารสุติโตโหมิถนะันอย่างน้อยไม่ได้ขนาดนั้นได้ขนาดนั้นอย่างน้อยได้ขนาดนั้นถึงนอนนอนเล่นควายมันจะเป็นสัตว์เดรัจฉานนะ ใจมันต่ามันเป็นได้โอ้ยดึงจิตขึ้นสูงๆนี่ดึงยากเหมือนเราลากไม้ขึ้นบนเขา น, นี่แะถ้าปล่อยลงทางต่านั้นเร็วมากเลยจงมันยากยากเพราะ อ, อนาจตอนนั้นมันแรงแต่ทีนี้อํานาจบุญมันแรงแล้วมันง่ายคนดีทำดีได้ง่ายคนชั่วทำชั่วได้ง่ายผมบอกตรงนี้เลย เพราะนั้นมันมีดีอยู่ในใจแล้วใจรู้ดีจริงๆแล้วแต่ไม่แต่คนชั่ว่็รู้จักช่วยอย่างเดียวทําช่วง่ายทําดีไม่เป็นลาบากอย่างนั้นให้ฝืนดีกว่าฝืนออกไปจิตที่กําลังต่ำทรามฝืนออกอย่าเล่นตามมันเผอใจเยินเกินไปแต่นอนเจนตามมันเผอใจเยินเกินไปนอนให้อิ่มพอตัวแล้วขยันขึ้นมาไหยพาสวดมนต์ขยันขึ้นมาไหว อทำจิตภาวนา พ, วพุทิภาวนาก็ดีต่อสู้กับความง่วงเหงาห้านอนต่อสู้กับอำนาจกิเลสตัวนี้พยายามต่อสู้ทุกวั น, ท, วนทุกวันเอชน ะ, ะเป็นเชโยปิในทางสวดใส่ยชโยปิพุทธะสิริมาโตนอย่เข้าใจว่าท่านถ้าไม่สดวดธํานูงนั้นมันกลับไปไม่ได้ถ้าไปสวดธรรมดามมันมีทําเนียอย่างนั้นท่านก็เลยสวดให้เป็นสโยปิพุทธะสิริมาโตนะ พขาพุทธเจ้าทรงชนะพญ า, ามารด้วยความสน่าอง์อาจงามเป็นสน่างามใช่ไหมเป็นแปลแล้วนีก่ก็ให้ชายโยปิชนะความง่วงเหงาห้านอนเนี่ยด้วยความองอาจกล้าหารเนี่ยพยามารทั้งนั้นแหละความง่วงเหงาห้านอนก็เป็นจิเรตุพยามารมากีดกั้นหัวใจเราให้ลืมเนื้อลืมตัวจนเกินไปนอนจนมาจนหลังเป้นั่นน่ะ มันได้อะไรก็กําหนดให้มันนอนสักสี่ชั่วโมงตามหลักขั้นถึงมันสีชั่วโมงมันอิ่มแล้วทําหน้าที่ถ้าเป็นคาลบาะก็ลุกขึ้นมาลุก ข, ขึ้นมาทําหน้าที่การงานของตัวเองที่จะประกอบการเรี่นงชีพที่จะคิดอะไรพวกนักเรียนกับการศึกษาพวกชาวบ้าน ท, ที่คิดบัญชีก็คิดบัญชีที่อยู่บ้านก็ลุกขึ้นมาก็ไหว้พระสวดมนต์ลุกขึ้นมาก็คิดการงานที่จะทําหน้าที่ต่อไปในวันพรุ่งนี้นี่ให้มันนอนอิ่มแค่นั้น แต่ไม่พักเติมไม่ได้คิดจนเริ่มเนี้ยเริ่มตัวคิดไม่ได้พักไว้ผ่อนก็เป็นโรคประสาทท่านบอกว่าทุกเนี่ยทุกหกนุมการนอนกันอยู่กันกินกินเกินไปก็ท้องท้องแตกกินมากเกินไปก็อืดอับอึ่ยอายกินให้พอดีพอเหมาะพอดีกับธาตุกับขันแต่ให้รู้จักอาหารการกินว่าอะไรเป็นโทษอะไรแสดงโทษเราอะไรที่ถูกธาตุถูกขันเราอุยจาตตาดาสอนดีจริงๆเราไม่รับฟังไปเฉย อำ น, นาจของกิเลสให้ชอบอันไหนกินกินจนตายคนไข่เห็นลวงตาอา ง, งุ่นเป็นเจ้าอาวาสวัดทุ่งสว่างหมอเขาห้ามไม่ให้กินลาบยากินจิ้งกำมันเบิมดนเอามากินพื่อกินสักปรเดี๋ยก็เลยเนี้ยตายไปห น, นี่กินด้วยความอยากมันนี่อำ น, นาจของความอยากบางทีผ่าตัดเขาป้องกันอะไรหมอเขารู้เรต้องเชื่อเขา เขารู้กว่าเราเราไปใช้อำนาจกิเลสอยากให้ได้อย่างใจทุกอย่างยบหมอเข้าไปไม่ได้อย่างใจก็บีนี่คนเรามันคิดอี่นั้นแต่หมอไม่ได้ใจก็พูดเรื่องเขาจึงพูดเอายากบุตรชนเชื่อยากบุตรชนชอบเอาใจใจตัวเองถ้าเป็นธรรมแล้ง่ายรู้จักเหตุู้วยจผลหมอพูดก็ฟังและเหตุผลที่ควรเชื่อเชื่อทันทีไม่ฝา่าฝืนเลยเพราะเขาศึกษามาโดยเขารู้จริงๆเรื่องสภาพร่างกายใ่หมอเขารู้จริงๆ หยุกยาเ้าว่าอะไรเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์เขารู้จริงๆแต่ทีนี้ทั้งเรื่งที่เป็นโทษมันกระถาดเด็กเด็กน้อยมันดมกาวตลอดเดี๋ยวนี้เป็นผู้ใหญ่อายุยี่สิบมันก็ดมทั้งที่เป็นโทษมันก็จิม ม, ม, 20, มันก็ด ม, ม, ม, ดมอะไรทีาาร่ทำให้มันเป็นกิเลสอำนาจกิเลสกิเลสมันเป็นโทษนะผลสุดท้ายก็อาพัพพ่อแม่ไปช่วยเยอะไม่ได้ทั้งตัวเองก็อาพับหมู่เพื่อนกัดูแลกันดูถูกดีไม่ดีดูถูกเสียเกียดสักดิ์ศีที่เกิดมา ไม่มีสักมีสีไปทั้งไหนไม่มีความองอาจกล้าหาญเพราะความชั่วเต็มตัวเลยควาชั่วเต็มตัวมันจะมีศัก์สีตรงไหนล่ะคนหล่อมศีลสอนเป็นพื้นพื้นพื้นพื้นฝากันจำไว้ให้ดีไปสอนลูกสอนหลานมันเป็นอย่างนั้นก็ต้องบังคับมันซี่ปคอยมันได้ท้งไหนถ้าตางคนตาล่อยผลได้รายรับคือใครพ่อแม่ก็ต้องรับบาปร่ากรรมด้วยกันลูกเป็นอย่างนั้นไม่ดีพ่อแม่ก็ต้องรับผลสุดท้ายกันหนักอึ้งเพราะตัวเองปล่อยไปตามลมเคยจัด มันไม่ดีก็ต้องมีขอบมีเขตคนเราต้องมีขอบมีเขตในทางดีงามถ้าไม่มีขอบมีเขตจะอะไรต้งบอกแล้วงแต่ศาลาเราก็ยังมีรูปกลงบ้านเราก็ยังมีรั้วมีป้องกันขอบเขตมีขอบมีเขตของใครของมันยังมีขอบมีเขตร่มรื่นข้าเกินกันไปก็ทาให้ทะเลาะกันก็ะด็ต้องมีเลี่ยงมีราวเกิดขึ้นเกิดกฎหมายบ้านเมืองเขาบอกเขาแบ่งเขตแบบงอะไรมีหมดแล้วมนุษย์เงาหก ไม่มีเขตมันจะไปตรงไหนไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานหรือเช่อีเจ็งมันมีเขตขอบเขตที่ไหนปล่อยไปที่ไหนเห็นได้รักษาตัวเองก็ไปคุ้มก็ยิงเข้าฆ่าเป็นสัตว์เดรัจฉานมันไม่มีขอบมีเขตมีอะไรสัตว์สัตว์จำไม่ให้ดีมันไม่มีขอบมีเขตมนุษย์ต้องมีขอบมีเขตมีเหตุมีผลเป็นเครื่องปกครองตนสิทะเลยจากนี้จะเจ้าอะไรโลกมนุษย์เหล่าเจ้าความสุขมาจากไหนแขนก็มีสองขาก็มีสองูก็มีนี่ขอบเขตของมนุษย์นี่ แต่นั้นการแสดงออกทางกายก็อย่าไปลงรั้งข้ามเกินอย่าไปโลภไปรักเอของเขาไปผลิุผลิตภันอกกรามเนี่ยขอบเขตของมันมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เดินไปตรงนี้เสร็จมันก็หมดเรื่องกันจะไม่มีเรื่องมีลาที่ไหนนอกมนุษย์เราอันนี้เราไม่เดินอำนาจกิเลสอำนาจกิเลสมันเป็นยุ่งสิพอมากขึ้นมากขึ้นกันมันจะไปไหนที่นี่ฆ่าการแกงกันตายเกลียดอํานาจของสัตว์ในสัตว์มันไม่ใช่อํานาจของมนุษย์แล้ว ถึงตายเวลาดีงั้นจะไปถามหาอะไรมันจะไปไหนเดี๋ยังไงใหนตายมันก็เป็นยักษ์เป็นโขเป็นเปรตเป็นผีแล้วกุศลาตัวไหนจะไปถึงมันส่งไม่ถึงหรอกมันก็ไปเลยเสิไอ้ผู้ทำนัมม่นแหละจะเห็นเองชัดกว่าตายไปแล้วตัวเองนี่นแหละจะรับกลับรู้ได้ทุกพบทุกพาดไปตกในรบคุมไหนสอบลุ้ไหนเรียบเอาสอบร้อนกระโดดลงไปเลยทํำท่วไม่ใหม้มากมีแต่ร้อนหาความสุขไม่เจอเลย เหนืออายุอายุของมนุษย์เกตติปปีแปดสิบปีร้อยปีไม่ใช่วินาทีหนึ่งของเมืองสวรรค์ไม่ใช่หรอเหมืไกลกันเหมือเมืองนลกเหอนเมืองสวรรค์ท่านเทียบไว้เราก็จําไม่ได้ชัดเหมือนกันเพราะว่าท่านกล่าวไว้เหมือนกันเพราะเราไม่ค่อยได้ดูหนังสืออาตมาเองไม่ค่อยได้รู้หนังสือคูณกูเ้เดืองโคษอยากให้ลูกหลานเป็นคนดีอยากให้มีอยู่มีกินหากว่าไม่มีสินมีทําก็หาอยู่หากินกุ้งปากคุ้มท้อง จะไปรักไปโศกของใครใครก็หวงแหนขาเราเราก็ยังหวงแหนมือเราก็เรายัางแหนสมบัติของเขาจะไม่หวงแหนยังไงทิศต้นหนึ่งเขาก็หวงแหนเขาปลูกไว้ไม่ใช่สัตว์เขาจะไปกินเอาเลยมนุษย์มนุษย์มันเป็นมนุษย์มันมนุษย์แล้วมนุษย์โสยิ่งมนุษย์โสแล้วโอ้โหงามทีเดียวผู้มีศีลห้าแล้วก็เป็นที่พึ่งตัวเองอบอุ่นตัวเองไปไหนมาไหนไม่มีเรื่องมีลาภายในใจเลยแหมมันน่าอยากจะรักษาจริงๆ ไอ้พวกเรานี่มันรักษาไม่ได้นี่นะล้มลุกคลุกคลานสิหลวงต้นยังบอกแล้วต้องลําบากลาบนสิต้องอดต้องทนสิอยากได้ดีทางไหนไม่อดไม่ทนไม่ได้ดีหรอกปล่อยตามเมืเภยใจไม่ได้เลือกต้องอดต้องทนต้องทํำหาอยู่หากินต้องอดต้องทนแต่ในทางที่ชอบจะไปทางที่เสียทำเสียหายรักษาศีลถ้าทำก็รักษาตัวเองไม่มีเวรมีกรรมก็ต้องลําบากลาบนก็ต้องรักษาให้พากันคิดกันอ่านที่ พระพุทธเจ้าท่านสอนนี่นี่ไม่ใช่ธรรมะเพราะมันมามักคิดตามหลักของศาสน า, า, าที่ตัดไปแล้วทุกแง่ทุกกระทงทุกมุมทุกเล่ห์ทุกเหลี่ยมกิเลสมันจะไปแง่ไหนมุมไหนร่อนไมหมดตีกรอบไว้หมดเลยไปไม่ได้มีแต่เดินตรงเลือกเดียวถ้าเป็นทางาเส้นจากหนองคายตรงแนวถนนราดยางจิงจรภาพเข้าสู่กรุงเทพมหาคนครเลยทางเส้นนี้ปลีกไม่ได้ปีกไปไหนก็พลาดอ้าวขับ เร็วเกินไปเลื่อนเนื้อเดินตัวประมาทก็ลงคลองไปเลยตายเผือไม่ได้แต่รถนนี่แหละการเดินทางไม่จะไปทางรถก็ตามแม้คนเดินก็ตามก็ต้องระวังทั้งขอกทั้งน้ำทั้งทุกอย่างการเดินทางแม้จะเป็นมนุษย์ก็ต้องดูสิอ้าวเดินเดินจิตก็เหมือนกันต้องระวังสิสิ่งใดที่เป็นบาปเป็นกรรมก็ต้องระวังระแวงสิมันจริงจะมันจริงจังอยู่รอดปลอดภัยในชีวิตของเรา ผงคิดต้องอ่านนี่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนแล้วบรรดาสาวกท่านสอนมาพระพุทธเจ้ากสอนเป็นอันดับเป็นอันเป็นยอดของการสอนคุณพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกสามโลกธาตุนี้จากแนันบรรดาสาวกก็มาสอนต่อเลื่อยมาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันคู่สอนนั้นต้องต้องจิตต้องรู้ต้องเห็นต้องรู้ความเป็นจริงจึงมาสอนได้จะไม่ได้มาจํามาสอนกันเรนเรนนิอาตมาก็ไม่ได้เก่งแต่พอรู้เรื่องสารภาวะพอให้ พูดให้พวกเราไปให้พวกเราได้ฟังแล้วนำไปคิดไปอ่านใครควรสินำไปพาาิจารณาใจตองสิที่ท่านพูดออกไปแล้วนั้นผิดไหมผิดที่ตรงไหนถ้าตรงไหนผิดก็อย่าเอาไปที่ต้องไหนถูกน้อมเข้ามาอุปนิโกสอนหัวใจตัวเองนั่นให้มีความร่มเย็นเป็นสุกวันนี้ก็ร่มเย็นวันหน้าก็ร่มเย็นจากชีวิตนี้ไปแล้วมันจะไปตกนรกที่ตรงไหนนอกจากสีเรนซูเ ก, กร์ติงเยนตินั่นสีนำสุขมาให้ทั้งในปัจจุบันไม่ต้องพูดถึงตายไปแล้วหรอก ตายไปแล้วมันจะไปเอาอะไรถ้าไม่ได้เนี่ยปัจจุบันนี้มันต้องได้ไในปัจจุบันนี่สิเงินก็ต้องมีเป็นล้านเป็นแสนก็ต้องได้แต่ที่นี่ที่จะไปค้าประขายไม่จริงทําได้อทิ้งก็เหมือนการต้องสร้างให้มันมีซะก่อนก่อนตายที่ท่านจริงบอกว่าอย่าประมาทวันหนึ่งคืนหนึ่งร่วงผ่านไปผ่านไปชีวิต เ, เป็นอะไรคิดอ่านใคฟวนแต่ละคนแต่ละท่านทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้ง พาทังเนีนคิดในหัวใจตัวเองสอนในหัวใจตัวเองทั้งวันทั้งวันทั้งวันมันจะไปไหนกีดนี่มันจะยอมรับด้วยสติปัญญานี่เองเอาธรรมของพระพุทธเจ้านี่ยมันสอนสิเอของดีมาหล่อเลี้ยงมันสิเหมือนผ้ามันสกปรกก็ต้องใส่ฟลัใส่สบู่ซักมันลงไปสิขยี้มันเข้าไปสิมันจึงจะขาวเนี่ยใจเหมือนกันมันสกปรกด้วยกิเลสอาสวะมันทึกจึงหมักรองในหัวใจเป็นดำปี่ก็ต้องพยายามซักด้วยศีลโดยธรรมขยันสิ มันดำมากเท่าไรยิ่งขยี้มากเข้าไปเล่นหนักเข้าไปสิถ้ามันขาวแล้วมันไม่ได้ขยี้เท่าไรหรอกอันนี้มันดำต้องลงหนักก่อนเหมือนเราไม่มีเงินมีทองนั่นแหละจะต้องลำบากลําบนซะก่อนในการหาอ้าไม่มีความรู้มิชาก็ต้องอดต้องทนในการศึกษาเราเรียนพูดไปพูดไปด้านศึกษาก็เช่นเดียวกันจะมานอนอยู่ได้ไดไดคีดเกียจมันจะมีอะไรอืเล่นตามอาเภอใจมันจะได้อะไร ในโลกสมัยนี้มันเป็นอย่างนี้โมดเท่าที่ดูไม่ว่าพระว่านินไปที่ไหนมันกําลังเละตรงไปเละตรงไปทุกวันทุกวันเราจะเอาดีกันทีเลยหากเราเละในชาตินี้และชาติหน้าจะไปไปเอาอะไรอีกในชาตินี้มันก็เละแล้วชาติหนึ่งก็ชาติหน้าก็คือคนคนนี้เองจะไปแก้ตรงไหนทําไม่แก้ในปัจจุบันเอาเด็กแก้ไม่ได้แก่ตัวก็แก้ที่เท่ามันก็แก้ได้นี่นะเวลาไม่ได้ทีหนึ่งก็ต้องเอาทีหนึ่สิให้มันมีดีติดตัวไปสิ ผมก็ว่าเป็นมนุษย์มนุษย์โสมนุษโสใจสูงสิสูงด้วยศีลด้วยธรรมที่ไม่ได้สูงด้วยอย่างอื่นอย่างอื่นสูงไปก็แค่นั้นแหละสองด้วยความรู้วิชาก็เป็นเครื่องใช้เป็นปัจจัยทั่วการเวลาสูงด้วยเงินด้วยทองด้วยเกียรติยศทุกอย่างก็เป็นเครื่องใช้เป็นปัจจัยในปัจจุบันนี้เท่านั้นเองจากนั้นแล้วก็ทิ้งเรื่นี้เท่านั้นเองไม่มีอะไรนอกจากสูงด้วยศีลด้วยธรรมสูงจริงๆเกิดในสนวรรค์ก็ดีก็สูงกลับมาเป็นมนุษย์แล้วก็สูงเกิดในตระกููลสง แต่แค่แต่มารยาทดีเกิดในตระกูลสูงตอนนี้ก็ยังดูซิพระพุทธเจ้าท่านพูดว่ามารยาทดีเนี่ยเกิดในตระกูลสูงเท่านั้นเดี๋ยวนี้เราหยักว่าเลยไม่ใช่ตําหนิมันมีแต่มารยาทสัตว์มันจะไปเกิดสูงได้ยังไงมันก็เกิดในตระกูลต่ําในวัวในควายในสัตว์ไปสิมันได้เกิดในสุนัขไปสิเพราะใจต่าํามันจะไปเกิดที่ไหนคนผู้ดีเขามีสง่าราศีเขาเกิดในตระกูลสูงที่เกิดมาเป็นคนมั่งคังสมบูรณ์ทั้งบุญสมบัติ ทั้งสติปัญญาทั้งเงินทองกองสวัสดินั่นน่ะมีแต่บุญทั้งนั้นทั้งนั้นแหละถ้าคนอยากบําเพ็ญถ้าอยากบําเพ็ญภากันอุตส่าห์พยายามเอาสิแล้วนี้มีผู้ให้ฟังใหเฉยแต่ถ้าเราไม่บําเพ็ญใครจะบําเพ็ญครูบาอาจารย์ก็เป็นคนสอนให้เท่านั้นเราต้องบําเพ็ญสิต้องอดต้องโคนต้องอุตส่าห์ต้องพยายามทุกวันทุกวันตื่นมาเอา้าครูบาอาจารย์ท่านสอนให้ ขยันเดินไปตามหลักนักป่าดูดูซิให้มันเสียลองดูซิให้มันเห็นดูซินี่มันไม่เดินเดินแต่ทางต่ําจิตไหลลงทางต่ําทั้งวันทั้งวันทั้งวันไม่ลื้อฟื้นขึ้นมาเลยมันจะมีความสุขที่ตรงไหนคนเราต้องเดินตามหลักแนวทางของนักป่าที่เราสอนไว้ซิมันเสียหายที่ตรงไหนสอนลุกฐานน้ำมบัตให้ขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานทุกๆอย่างที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ฟังดูซิให้ขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงานที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ไม่ใช่เป็นโทษ มองให้ดีจากนั้นแล้วอัลกัตธรรมาถาหามาสิเนีย่ยสมบัติหามาแล้วให้รู้จักใช้รู้จัดเก็บอย่าใช้ชู้ชูร่ายนั่นสอนไข่พระพุทธเจ้าสอนมนุษย์นะ่ะจากนั้นกาลยาในมแต่ตาหาเขาเพี้ยนที่ดีงามสิอยากเขาเพี้ยนนักเลงเล่านักเลงผู้หญิงนักเลงเล่นการพนัเนเข้าไปบ่อยๆมันก็ชินไปชินไปก็เป็นไปด้วยกันหมดท่ายังบ้ า, าเซเวานานการเสพบุคคลชั่วมันก็เป็นคนชั่วไปวันเด็นกน้อยก็ชั่วไปเลย ท่านจึงบอกให้เสพเสพกันยานั้นิจเตตาเพื่อนที่ดีงามทําแต่สิ่งที่ดีงามไม่มีโทษไปเสพเขาเถอะไม่เสียหายแต่นั้นกระชีวิจาชะมัดชีวิต า, ช, ตาชีวิตที่เกิดมาแล้วต้องใช้ใเป็นประโยชน์บำเพ็ญในทางที่ดีงามแต่ทาให้เกิดโทษที่เนี่ยท่านบอกกดแล้วนี่จะเอายังไงอย่างานั้นก็ก้าวขึ้นไปศีลห้าสิบแปดไปเรื่อยเรื่อ ย, เ, อยเป็นคนสูงขึ้นไปสิเหตุว่ากเกิดมาเพราะผู้พูดศ า, าสนาไม่เสียหลักเสียเกศขอให้พากันดําเนินไปเถอะ ดังที่พูดไว้แล้วนี้ไม่ขาดหุ่นไม่สูงกำไรเกิดมาแล้วสมหวังโสมหวังจริงๆจึงอยากจะให้ประพฤติปฏิบัติพากันฟังแล้วน้อมนําไปประพฤติปฏิบัติการมาวัดบางบายก็อย่าพูดกันเสียงดังเกินเกินไปให้รู้จักสถานที่ควรยังไงหรือไม่ควรยังไงพระท่านอยู่ยังไงช่วยกันรักษาพระศาสนากําลังเสื่อมลงเต็มที่เสื่อมจากหัวใจเรานี่แหละไม่ได้เสื่อมจากที่ไหนใจของเราเนี่ยมันเสื่อมลงทุกวันทุกวันจึงแสดงออกมาได้ทุกอย่าง ถ้ามันใจมันเป็นธรรมแล้วมันไม่ได้เสือ่อพูดอะไรมันก็รู้จักควรสถานที่เป็นยังไงความเหมาะสมอะไรากาละเวลามันรู้หมดจึงว่าศาสนารู้รอบรู้ฉลาดัเสมอคูฉลาดควบทุกแลงหนีแต่คุณดูบริเวณแบบนั่นนั่งเป็นสนีนั่งนอนเอเตสมเาเยิพระธาไทยพระธ า, าสานก็นั่งเป็นสีนั่งนอนเกิดกุ้ยซุกอยู่ด้วยควบดูแ ห, ห้งตดเอาละแค่นี้พอเอวัง